การบวดเป็นข้าเป็นหนึ่งเรียกว่าได้เพศหนึ่งขึ้นมาจากเพศลืมของตนเช่นเดียวกับเราได้ไม้ทั้งท่อนมาการที่จะ ทำไม้ั้งท่อนให้ตกออกมาเป็นชิ้นต่างๆตามความต้องการของตนนั้นขึ้นอยู่กับความเชี่าของผู้จะทําบ้านทําเรือนหรือสั่งทาสิ่งต่างๆด้วยไม้ท่อนนั้นยอมจะสำเร็จ ประโยชน์เท่าที่ควรแต่ถ้าทิ้งไว้เพ่นนั้นไม่นำไปทำประโยชน์อันใดไม้ก็ไม่มีคุณค่าอะไรนอกจากจะเรียกของชุงทั้งท่อนดอีเท่านั้นและนอกจากนั้นยังจะเป็นสิ่งที่ลวทุงึงลัง ในบ้านเรือนอีกด้วยเพศของนักบวชเฒาที่ให้น้ำว่าพระมัณฑนี่ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบวชมาแล้วไม่สนใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะรู้แนวทางแห่งการปฏิบัติกาจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองให้หมดสิ้นไปโดยลำดัดำบ ก็ไม่เปลี่ยอะไรกับขอนสูงทั้งทนแต่ผู้ตั้งใจศึกษาเพื่อหาความรู้ความสลาดจะเป็นการท่องบทสังวัทถายายดูตามตำรับตำลาก็ดีศึกษาอบรมจากครูจากอาจารย์หรือหมู่เพื่อนที่ควรเป็นคติได้ก็ดี ยอมเจอรับความฉลาดรอบคอบนำอุบายต่างๆนั้นมาปรับตรงตนเองเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ขึ้นมาเป็นชั้นๆเพราะการครบค้าสมาคมและการอบลม จากครอูอาจารย์ในสถานที่ต่างๆนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะเป็นพื้นเพยของเราเพื่อการปฏิบัติในวาระต่อไปฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงประทานพระโอวาทใหม่เพื่อภิกษุใหม่คู้มีพรรษายัางน้อย ยังไม่ผ่านห้าพรรษาไปไหนผู้มีพรรษามากแต่ไม่มีความเฉลียวฉลาดสามารถจัปฏิบัติตนต่อพระธรรมนี้หน่อยเพื่อแก้ไขสิ่งที่จาเป็นโทษอันอาจจะเกิดขึ้นภายในตนก็ดีพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมให้ ล่วงล้ำพระบัญญัติข้อนี้เพื่อจะเป็นช่องทางให้ผู้มีความปรารถนาลามกจะแวกแนวออกไปช่องนั้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมหรือเป็นทางเดิน ของผู้มีเจตนาหวังดีที่จะศึกษาจากครูจากอาจารย์ให้รับผลประโยชน์พอสมควรก่อนแล้วจึงให้พ้นจากนิสัยท่านเรียกว่านิสัยยมุด ดังนั้นการอบรมศึกษาการคบค้าสมาคมจึงเป็นปากทางสำคัญที่จะให้ผู้ไปอบรมศึกษาได้รับความรู้ความฉลาดตลอดอัธยาศัยที่จะให้ปรมกร่อมจากกับครูบาอาจารย์องค์นั้นๆแี่ท่านก็กล่าวไว้ว่า บันดิตานันจะเซวนาย้ำอีกด้วยให้ครบรบัณดิตนักป ร, ราศผู้มีความเฉลียวฉลาดทั้งด้านการปฏิบัติและความรู้ภายในใจนิย้อนธรรมะที่่ันกล่าวไว้เป็นส่วนรวมเข้ามาสู่วงปฏิบัติของท่าน ผู้มีความคล้ายต่อการปฏิบัติทุกๆท่านได้นำมาพี่ครายดูเรื่องของตัวว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำว่าปันดิตานั้นจะเสื่อนาอย่างไรบ้างการครบค้าสมาคม้าเกเย่าก้มูเพื่อนไม่ค่อยดี มีกริยามายาติข้อปฏิบัติสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุมดอนดอนไม่สม่ําเสมอและไม่คมกล่อมกับหลักวิธีธรรมในไงก็จะเป็นหาเหตุให้การครบค้าสมาคมของเหล่านั้นชินต่อ น, นิสัยเข้ามาภายในใจกลายเป็นคนเช่นนั้นขึ้นมาจนชินต่อ น, นิสัยกลายเป็นเรื่องปกติ แต่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้การคบกับครูอาจารย์ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักพระธรรมหลักพระวินัยก็มีรับรองไว้ว่าผู้จะไปศึกษาจากครูกับครูอาจารย์องค์ไหนให้สังเกตดูกิริยามายา การปฏิบัติพระธรรมวินัยของท่านสมควรจะเป็นที่กราบว่ายบูชาและขอนิสัยได้หรือไม่แน่จะรออยู่จนกว่าจะเห็นสมควรแล้วจึงจะขอนิสัยท่านก็ยังไม่ปรับโทษแจกภิสษุรูปนั้นผู้ควรจกการจะรับนิสัยจากอาจารย์องค์ใดๆอยู่เมื่อเห็นควรจะ ถือเป็นครูเป็นอาจารย์และควรจะให้นิสัยได้แล้วแต่ทอดทุระไปเสียเช่นนี้เป็นความผิดของภิกษุผู้เข้าไปศึกษากับท่านซึ่งยังอยู่ในลงแห่งนิสยัยมีรลักหรือธรรมวินัยที่เกี่ยวกับนวกรภิกษุก็มีเช่นนี้น ที่เกี่ยวกับอาจารย์ผู้จะควรให้นิสัยก็ต้องสังเกตผู้มาศึกษาอีกฝั่กันจนกว่าจะเห็นสมควรว่าจะควรให้นิสัยหรือไม่มีกิริยามายาติอฏิยาไสไม่เป็นไปในทางทีเสียและปกครองยาก สงควรจะให้นิสัยและให้โอวาทแนะนำ ส, สอนหรือจะอยู่กับหมู่เพื่อนต่อไปก็ไม่เป็นการเสียหายแลย้ก็ยอมให้นิสัยได้ทั้งสองฝ่ายต่างให้รอกันได้โดยไม่มีอาบัติทั้งฝ่ายอาจารย์กับฝ่ายพระนรวกภิกษุเรื่องที่กล่าวมาทั้งนี้ เป็นเครื่องต่อให้เห็นว่าการอบรมศึกษาจากครูบาอาจารย์กนอีการจะให้อาวาตแนะนำสั่งสอนในฐานะที่อาจารย์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในบรรดาศิษย์ก็ดีต่างฝ่ายจึงควรตระหนักใจอย่างยิ่งจะทอดทุละเสียไม่ได้เลยขณะนี้ เราทุกๆ ท, ท่านเป็นนักศึกษาและนักนักปฏิบัติด้วยกันได้เตรียมพร้อมแล้วที่จะพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นไปเพื่อความเปรเดินก้าวหน้าทั้งด้านข้อปฏิบัติและภายในใจ จึงควรถือการอบรมศึกษายึดเอาคติจากหมูเพื่อนและครูอาจารย์เสมอไม่ควรนอนจับท่านกล่าวไว้ในธรรมบทหนึ่งว่ายังเมเสวติตาลิโซ เราครบคนเช่นไรตัวเราเองก็จะมีลักษณะเหมือนเหมือน ก, นกันกับคนเช่นนั้นดังนั้นการศึกษาอบรมเพื่อเพื่อทาซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดหรือเป็นธรรมชาติที่ละเอียดขึ้นไปเป็นลำดับจึงควรจ ะ, สะแสวงหาครูหาอาจารย์ เป็นที่แน่จิตแน่ใจว่าอาจารย์องค์นั้นมีการปฏิบัติและการอบรมสั่งสอนอย่างไรนำบรรดาสานุคิดให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นกลมกลอมกับพระธรรมมินัยอย่างไรบ้างเมื่อใด สาเนียบศึกษาดูจนละเอียดถี่ถ้วนแล้วว่าสมควรจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นเป็นลำหนับถ้าได้ปฏิบัติกับท่านองค์ที่กล่าวมาเช่นนั้นแล้วเราก็ควรตัดสินใจของเราลงให้มีวัตคมีตอนมีเขตมีแดนเครื่องกากับจิตใจ อยาปล่อยจิตใจของตนให้เลื่อน่อยจะกลายเป็นคนไม่มีหลักนับตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันตายจะหาสาระอันใดเป็นที่ระลึกของใจไม่ได้เลยสําหรับคนที่มีใจลอยๆเช่นนั้นใครจะเป็นคนใจลอยก็าตามเรามองดูก็ไม่รู้ก็ไม่น่าดูแล้วอยาก นายาตยที่จะแสดงออกมาจากความเป็นคนหลักลอยไม่แน่นอนนั้นจะไม่มีชิ้นใดเป็นที่น่าเลื่อมใสและน่ายินดีควรจะถือเอาเป็นคติเครื่องสอนใจได้เลยไหนจะให้มาปรากฏในตัวของเราเสียเองว่าเป็นคนหลักลอยจะสมควรกับเราผู้เป็นจิต ของตถาคตเจ้าแล้วเลยเราควรคำนึงให้มากทำทุกสิ่งขอให้ทำลงได้ความจริงใจปกกักจิตปักใจลงให้แน่วแน่ต่อจิตการงานนั้นๆไม่ว่าภายนอกและภายในเมื่อเห็นสมควรภายในใจว่าเป็นจิตการและหน้าที่ที่ถูกต้องแล้ว หรือเป็นทางที่ถูกต้องแล้วนี่แหละหลักของผู้ปจะปฏิบัติดําเนินตนให้มีกําลังเข้มแข็งขึ้นไปในอนาคตต้องฝึกหัดดัดตนเช่นนี้ทุกๆุกรายยาเข้าใจว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งต่างหากจากวันพรุ่งนี้อย่าเข้าใจว่าเราคนนี้เป็นคนหนึ่งต่างหากจากวันพรุ่งนี้ และอยาเข้าใจว่าเราคนนี้เป็นคนหนึ่งจังหาจากความเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าจากความเป็นคนคนนี้ถึงวันตายอยาเข้าใจว่าเป็นคนคนไหนคนชั่วก็คือเราคนนี้ผู้จะปรับปรุงตนเอง เพื่อจะแก้ไขความชั่วซึ่งมีอยู่ในตัวของเราก็คือเราคนนี้สิ่งที่ชั่วจะเป็นส่วนหยาบขนาดไหนก็ดีจะเป็นส่วนกลางก็ดีจะเป็นส่วนละเอียดก็ดีมันมีอยู่กับคนคนนี้คนเดียวผู้จะปรับตรุงตนเองเพื่อจะแก้ไข ครามชั่วที่เป็นส่วนหยากส่วนกลางส่วนละเอียดซึ่งมีอยู่กับคนคนเดียวนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราคนเดียวโดยเฉพาะจะแบ่งรับแบ่งสู้กันไม่ได้จะแบ่งหนักแบ่งเบาให้แก่ท่านผู้ใดไม่ได้อีกเหมือนกันขอให้ถือว่าเป็นภาระของเราในการจะพยายามแก้ไขปรับปรุงตนเองให้เป็นไปพวกความเข้มแข็ง มีหลักมีเจ็นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลักอันใดที่ตนได้เคยทำมาแล้วและก็ได้ปรากฏผลมาเป็นลำดับหลักเช่นนั้นอย่าปล่อยวางนอกจากนั้นยังจะพยายามบำรุง หลักเช่นนั้นให้มีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับคำว่าหลักบางท่านก็จะไม่เข้าใจเพราะเป็นความหมายกว้างขวางสรุปความลงแล้วก็คือหลักนิสัยนิสัยเรามีความมั่นใจในสิ่งใดทำกิจการงานอันใดปฏิบัติในธรรมะข้อไหน พิจารณาในธรรมทั้งหลายมีความสัมผัสหรือดูดดื่มในธรรมส่วนใดส่วนไหน ใ, ในอาการใดเมื่อเห็นเป็นประโยชน์แล้วขอให้บำลุงหลักนั้นขึ้นให้มั่นบำลุงวิธีที่ตนบำเพ็ญมานั้นให้มีกำลังขึ้นให้มั่นนี่ชื่อว่า เป็นผู้มีหลักอันดีการจะเป็นผู้ใหญ่จะทรงไว้ซึ่งความรู้ความฉลาดทรงไว้ซึ่งหลักของพระธรรมวินัยทรงไว้ซึ่งภาษาศาสนาอยากเข้าอยากเข้าใจว่าเป็นคนอื่นคนในนอกจากเรา คนนี้เท่านั้นซึ่งจะสืบเนื่องไปตั้งแต่บัตรนี้จนกระทั่งถึงวันสิ้นชีพวายชนจะเป็นเราคนเดียวนี้เป็นผู้จะบำเพ็ญหน้าที่ให้เป็นไปตามแถวแห่งธรรมที่กล่าวมานี้ลูกศิษย์ของประถาคตไม่ควรทำตนเป็นคนอ่อนแอ แต่ให้เป็นกลมอ่อนโดนสุภาพเปียบหลอนและเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานไม่ว่าข้างนอกข้างในที่เห็นมาเป็นประโยชน์สำหรับตนและส่วนรวมซึ่งควรจะทำในการอันควรแนว่ยจิตนอกการในทุกๆอย่างเป็นเรื่องจะฝึกหัดดัดแปลงนิสัยของตนโดยอาศัยสิ่งเหล่านั้น เป็นเครื่องเพ่งเลยเสมอมีเบื้องต้นอธิบายถึงเพศเพศเดิมก็คือเพศคารวาสเพศอันดับสองก็คือเพศของพระของเนรที่เราได้ก้าวเข้ามาสู่วงของพระศาสนาซึ่งเป็นวงที่ล่มย็น จากนั้นก็อธิบายให้ฟังว่าหน้าที่ของพระของเนนที่ควรปฏิบัติดัดแปลงตนเองอย่างไรให้เป็นเช่นเดียวกับเขาดัดแต่งไม้ที่จะนำมาทำสิ่งต่างๆตามความต้องการของเขาก็อธิบายถึงหลักการคบค้าสมาคมหรือการอบรมกับครูกับอาจารย์มาเป็นลำนับ คือให้เป็นหลักฐานของจิตใจสำหรับท่านผู้มุ่งต่อการปฏิบัติอยู่พร้อมแล้วให้ได้มีทางเดินทั้งจะอยู่ที่นี่และจะจากที่นี้ไปสู่ที่อื่นหรือที่ใดก็ตามหลักที่ไม่ควรปล่อยวางไปตามการไปกันมาของตนนั้นคือหลักแห่งข้อปฏิบัติ ที่ได้รับการอบรมศึกษาจากครูจากอาจารย์องค์ใดแล้วที่ตนเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้เคลื่อนคราบจากกายวาจาใจของตนครูอาจารย์ที่ทัน ได้มาเป็นหนัวหน้าแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านก็ได้มาจากการคบค้าสมาคมและการอบรมเช่นเดียวกันกับเราซึ่งกำลังศึกษาอบรมอยู่ณปัจจุบนนอกจากสยามภูแล้วไม่มีใครจะเป็นเอกนาโถโดยลำพังตนเองซึ่งไม่รับการอบรมศึกษามาเลย คำว่าสยามภูก็หมายถึงพระ พ, พุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยไม่มีครูอาจารย์ใดสอนให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่เป็นขึ้นมาเองด้วยภูบาวิธีของพระองค์ต่างหากนอกจากนั้นแล้วจะต้องได้รับการศึกษาอุรมมาเป็นที่เพียงพอแม้แต่คำว่าสังฆังเพื่อนังขัาถาม ทุกๆพระองค์ที่เป็นเจ้าของเรานับเป็นจำนวนไม่ น, อน้อยต้องเป็นผู้ได้รับการอบรมศึกษามาจากพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์เช่นเดียวกันหมดั้ะนั้นในนามรวมของลูกตถาคตจึงให้นามว่าสามกแปลว่าผู้สดับ นั่นเป็นเบื้องต้นที่จะให้เกิดเป็นสถานะอันสมบูรณ์ขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้กราวว่าต้องมาจากคำว่าสาวกคือผู้สะดับรับพระสัจธรรมของพระพุทธเจา้าแล้วนำไปเือแพรปฏิบัติตนเองจนสามารถเต็มที่แล้วปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาในข้างนั้นท่านเรียกว่าสำเร็จพระอรหันต์ สําเร็จพระรหัสหรือเป็นผู้หมดรดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงในเวลานี้ก็ได้เป็นหัวหน้าของหมู่คณะโดยไม่ได้ขาดฝัน ฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงรู้สึกว่าเป็นภาระไม่น้อยความที่เป็นภาระทั้งนี้ก็เนื่องจากด้วยเจตนาหวังให้ท่านภูมาศิกาาได้รับความรู้ความชะลา เต็มกำลังความสามารถของตนผู้สอนและเต็มกำลังความสามารถของผู้ที่จะรับทมไปปฏิบัติดังนั้นภาระถึงมากผู้ที่รับธรรมะของพระพุทธเจ้าจากครูจากอาจารย์ไปแล้ว ก็ขอให้ทําตนให้เป็นผู้มีสง่าราศีด้วยความวัดปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรจนปรากฏเป็นความรู้ความฉลาดสามารถขอขอนตนได้เป็นลำหนักไปที่ไหนให้มีหลักเกณฑ์ภายในใจเป็นผลซึ่งเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติจริงจัง นี่เป็นที่พึงพอใจหากพระพุทธเจ้ายังทรงพรชนอยู่พระองค์ก็จะทรงชมเชยเมื่อพระองค์ทรงชมเชยได้บรรดาครูอาจารย์ซึ่งมีจตนาหวังดีเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าก็จะต้องชมเชยชนะเสริญผู้มีความตั้งอกตั้งใจสมกับตนที่มาศึกษาและมุ่งหน้าปฏิบัติจริง คำว่าสาวกองสุดท้ายภายหลังก็จะมาบรรจุอยู่ที่หัวใจของดักตามตำนานท่านกล่าวไว้ครั้งพระพุทธเจ้าที่ยังทรงทระชนดุจนถึงวันตรจะรู้ท่านกล่าวเอาไว้ว่าสาวกเบื้องต้นก็คือถ้ะอัญญาโคนทัญญาในรู้เห็นทมเป็น องแรกสาวกองค์สุดท้ายก็คือสุพทาปริพาชกซึ่งมำบวชในคืนวันพระพุทธเจ้าจัดเสด็จตับขันทปปริพานเป็นสาวกองค์สุดท้ายขึ้นมาในสมัยนั้นคือนับตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าประทานพระาวา่าแก่บรรดาสาวก เบื่องต้นจนถึงวันปฏิพานมีสาวกที่ปรากฏชัดกรององค์ต้นคือพระอัญญาโคนทัญญะและองค์สุดท้ายคือพระสุภัพปริภาทศ <c oughs> เราอยากทำความสำคัญว่าสาวกจะมี เพียงพระัญญาโกลนญะมาถึงพระสุภัะปริภาโ ช, ชกเท่านั้นถ้าเรายังเป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่อข้อปฏิบัติอย่างไรเราจะต้องเป็นสาวกองค์สุดท้ายขึ้นมาในศาสนาของพระองค์ท่านโดยไม่ต้องสงสัย ในวันหนึ่งแน่นอนขอให้ทําความมั่นใจต่อข้อปฏิบัติอย่าทําความโกหกตนเองต่อหน้าที่ต่อเว ล, เวลาตั้งคำสัตย์ะนิดไหนลงแล้วเมื่อเห็นว่าความสัตย์นี้เป็นการถูกต้องตามหลักธรรมของพระพธิจักอย่าปล่อยให้จุดจางหรือเหลวไหลไปเสีย เราจะกลายเป็นคนเหนิยวไหลไปเมื่อความสัตว์ความจริงได้ผ่านจากตัวของเราไปเสี้ยจะกลายเป็นคนไม่มีสาระแกนสารอันใดภา ย, ยในตัวนี่แหละหลักสาคัญข้อวัดปฏิบัติทุกๆุกอย่างที่เราทำเป็นประจำโปรดได้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญประจำเพศของผู้จะก้าวหน้า ตามพระเดชพระพุทธเจ้าให้ทันถ้าเราเห็นข้อวัดปฏิบัติที่ทำเป็นประจำหรือครูอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ในข้อใดเห็นว่าเป็นของเล็กน้อยเห็นว่าเป็นของไม่สำคัญเราจะกลายเป็นคนเล็กน้อยขึ้นมาในวงแห่งศาสนาซึ่งเป็นธรรมชาติที่ใหญ่ ครอบโวกครอบสงสารประทานความร่มเย็นแห่งแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายมีจำนวนไม่น้อยและจะกลายเป็นคนไม่จำเป็นขึ้นมาเรียกว่าเป็นคนที่หมดคุณค่าเพราะเห็นอะไรไม่จำเป็นเสียทางนั้นคนคนนั้นคือคนไม่จำเป็นคือคนเล็กน้อยนั่นเองไม่มีสาระสำคัญอะไรกับคนประเภทนั้นเราจะให้คนประเภทนั้นมากลายเป็นเรื่องของเรา เราจะได้พลาดเราจะพลาดจากหลักแห่งความร่มเย็นหรือหลักแห่งความอัจรรย์ของพระพุทธเจ้าจะไม่สมชื่อสมนามที่แบบเป็นลูกศิษย์พระธรรโคตรปรากฏในเพศแห่งความเป็นนักบวชถสเด็ดตามพระพุทธเจ้าโดยข้อปฏิบัติธรรมะที่อธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังมาตรฐานที่ต่าง ตอนข้าวก็ดีตอนเย็นก็ดีนอกจากจะพูดให้เป็นคติสำหรับท่านผู้ฟังซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วนั้นไม่มีความมุ่งประสงค์อย่างอื่นใดทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งแสดงถึงเรื่องความอาจอา่าหนว่าเลือกทั้งที่มี ความสบายอยู่ภายในร่างกายทั้งที่มีสุขภาพใน่สมบูรณ์คือมีการป่วยไขย้ได้ป่วยต่างๆก็ตามเพื่อให้ไม่ให้มีความอ่อนแอแเราอยู่ปกติความรู้สึกก็เป็นอย่างหนึ่ง พอมีการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาความรู้สึกก็เปลี่ยนสภาพเป็นอย่างหนึ่งเช่นก่อนที่เราไม่มีความทุกข์อะไรภายในกายใจก็ปรากฏว่ามีความเข้มแข็งแต่เมื่อทุกขเวทนาปรากฏขึ้นจะเป็นขณะที่นั่งภาวนาก็ตา่าง ขณนะที่โรคภัยไข้เจ็บเบียเดเบียนที่เรียกว่ากำลังป่วยไข่อยู่กระตาความแปรสภาพของจิตที่มีความเคร่งแข็งนั้นแปรไปโดยทันทีกลายเป็นความอ่อนแอขึ้นมาเช่นนี้เรียกว่าจะทำเราให้เสียหลักสำหรับผมแล้วเคยได้คติ เครื่องเกินใจจากทุกขเวทนาเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นเวลาเจ็บไายได้ป่วยจะมากหรือน้อยจึเงเป็นการเตรียมตัวอยู่เสมอที่จะพิจารณาเรื่องเวทนาเพื่อจะได้คติในขณะนั้นเพราะเวทนานี้เป็นสิ่งสาคัญ เวลาบีบบังคับร่างกายของเราเข้ามามากแล้วเป็นเหตุจะให้เกิดเวทนาภายใน ใ, นใจคือความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นอีกเป็นอันดับสองขาใจไม่มีหลักเพียงทุกข์บีบคั้นในร่างกายยังซึมซ่ากเข้าไปบีบคั้นในจิตใจให้รับความทุกข์ทั้งสองด้านโลกกว้างแสนกว้างก็กลายเป็นโลกแคบเข้ามาในผู้นั้น แต่ถ้าเราเป็นนักพิ่ากภาพิจารณ์กับเรื่องเมตนาอยู่เสมอทั้งในขณะที่ดีและที่ป่วยป่วยมากป่วยน้อยทุกที่เกิดขึ้นมาจากการเจ็บป่วยมากน้อยพิจารณาให้รู้ทั่วถึงกัน จนถึงกับจิตเราซึ่งกําลังเดือดร้อนเพราะเวทนาบีบบังคับนั้นกลาเป็นจิตที่มีความยินแยมแจ่งไสขึ้นมาในเวลาหนึ่งและได้รับความสงบเยือกเย็นถึงกับเวทนาที่กําลังเจ็บไข้หรือบีบคั้นอยู่นั้นได้ถอดถอนออกโดยทันทีจิตก็ลง สู่ความสงบอย่างแนบจนิดเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ก็ถอนไปทันทีอย่างนั้นก็คลี่หลายครั้งเหมือนกันแม้ทุกขเวทนาจะไม่ละ ง, งับไปในขณะที่พิจนาอยู่นั่นก็ต่างแต่เรื่องของทุกขเวทนาซึ่งมีอยู่ในส่วนแห่งร่า ง, งกาย ไม่สามารถจะตติมทราบเขาถึงจิตใจให้รับความเดือดร้อนไปตามเลยเพราะอำนาจแห่งความเข้มแข็งของจิตที่คิดค้นโดยอุบายปัญญาให้รู้เท่าทันกับเวทนาที่เกิดขึ้นในส่วนแห่งร่างกายทุกส่วนใจจึงทรงไว้ซึ่งความเยือเกเย็นแม้กายจะเป็นทุกขาตาไม่เสียหลักและเป็นเหตุจะให้หยิบยกเวทนาซึ่ง ขณะที่ปรากฏอยู่นั้นเทียบเทียมเทียงกับเวทนาในคราวจะเป็นจะตายจริงๆว่าจะเป็นเวทนามาจากที่ไหนนอกจากจะเป็นเวทนาที่เป็นอยู่ในลักษณะนี้เท่านั้นไปปรากฏขึ้นในข้านั้นถ้าเราได้พิจารณารอบคอบหรือรู้เท่าทันเวทนาซึ่งปรากฏตัวอยู่ในบัตรนี้โดยชัดเจนแล้ว เวทนาในคราวจะเป็นจะตายจริงๆจะเป็นเวทนาหน้าไหนเราก็ต้องเป็นเวทนาหน้าเก่านี่เมื่อได้รู้ชัดเวทนาในเวทนาที่ปรากฏอยู่ขั้นในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยชัดเจนแล้วก็เป็นอันว่าได้รู้ชัดในเวทนา ซึ่งจะปรากฏในอนาคตข้างหน้านั้นว่ามีเป็นหน้าอันเดียวกันจะต้องรู้เท่าทันเช่นเดียวกันนี่เรียกว่าตายด้วยความรู้ไม่ได้ตายด้วยความหลงหรือเผลอเลยหรืออ่อนแอเพราะฉะนั้นรพระพุทธเจ้าแม้จะถึงวันนิพพานแล้วก็ยังประทานพระโอวาทให้แก่บรรดาสาวกทั้งหลายได้โดยรื่นเลิ ไม่มีความทอแท้ไม่มีความทอพระไถยและแสดงความเสยออกเจ๊าใจไ ป, ไปตามการตามสมัยที่จะมาขวางหน้าหรือขวางพระพักพระพุทธเจ้าในเวลานั้นนอกจากนั้นยังประทานพระโอวาทให้บรรดาสาวกเท่าไหร่ ทั้งที่เป็นนิสุธิที่บุคคลและผู้ที่กำลังศึกษาเพื่อทำมันสูงยิ่งขึ้นไปให้รับความรื่นเดินบำเท็ญโดยพระโอวาทย่อยๆหมัดนี้เราเตือนท่านทั้งหลายให้พิจารณาสังขารธรรมซึ่งเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ยาได้ประมาทในสังขารธรรมเหล่านี้และเหล่านั้นคำว่าสังขารธรรมนี้มีสองประเภทคืสังขารธรรมภายนอกอย่างหนสังขารธรรมภายในใจนั้นอย่างหนึ่งพระอาทที่ทรงประทานในวันนิพพานนั้นยังปรากฏมาจนกระทั่งถึงตุวั น, น ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงทอพระทัยต่อทุกขเวทนาหรือมาณการที่จะมาพระเทินหน้าพระองค์พอถึงเวลาแล้วก็ปิดพระองค์ทรงทาหน้าที่ปรินิพพานไปโดยสมบูรณ์ตามภูมิของพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสนาสอนโลก ไม่ทิ้งลวดลายให้โลกได้มองเห็นเป็นที่ไม่แนบสนิดภาในตาภาใน ใ, ภาในใจไว้แม่แต่น้องขณะที่ประสูตยก็แสดงให้โลกทั้งหลายได้เห็นชัดว่าเรื่องของท่านผู้จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นประสูตรในป่า น, นี่ก็คงจะไม่ทุกๆพระองค์สำหรับพระพุทธเทจ้าแต่วิธีวิถีทางเดินเพื่อความเป็นพระพุทธเทจ้านั้นก็ต้องเดินไปเพื่อถึงความพระเสริฐเช่นเดียวกันจักสรู้ก็จักสรู้ในป่าเวลาบำเพ็ญก็ ัำเป็นในป่าเวลาจะประนิพานก็ประนิพานในป่านี่ตั้งแต่เรื่องลวดลายของพระโพธิจากรท่ง น, นขณะจะประนิพานก็ทรงเข้าฌานสมาบัติเพื่อท่านผู้มีฌานจะได้กำหนด ตามพระโพธิจ่าโดยละเอียดทีทวนและถูกต้องนับตั้งแต่ปสมะชานจนถึงสัญญาเวทายตานิโรตเรียกว่าข้าวทั้งรูปประชานและอรูปประชานและถอยกลับลงมาจากสัญญาเวทายตานิโรตก้าลงมาอารูปประชานแล้วลงมารูปประชานคือปสมะชาน พอกลับไปในวาระที่สองนี้พ่านจัตุตชาญเท่านั้นอรูปชานก็ไม่ไปรูปชานก็ผ่านมาแล้วแล้วเสด็จนิพพานในถ้ำกลางนัน่นั่นและท่านเรียกว่าถ้ำกลางของส ม, มุถ้าพระพุทธเจ้าจะทรงนิพพานในชาญใดชานหนึ่ง ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นยอยู่ในสมุินี่ก็คือความไม่ลวดลายของศาสดาเพื่อโลกไเหินนั่นเองสำหรับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์แห่งพุทธะอันบริสุทธิ์ที่แท้จริงแล้วเท่านั้นจะเข้าฌานหรือไม่เข้าฌานม่เห็นสิ่งใดจะสามารถทำความบก ความสมบูรณ์ของพระพุทธเจ้านั้นให้บกคล่องลงมาแม่แต่น้อยแต่หน้าที่ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของโลกต้องแสดงความเป็นศาสดาตั้งแต่ต้นจนอาวสารม่ให้บกค่องในความเป็นศาสดาเลยเพื่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายจะได้ดำเนินตามด้วยความประดุษเช่นเดียวกับน้ามหาสมุทร กว้างแสนกว้างลึกแสนลึกปลาจะเป็นปลาขนาดไหนให้ในแวกว่ายหัวหางกลางตัวด้วยความสะดวกสาบายไม่มีความขัดข้องภายในใจว่าน้ำนี้แคบเกินไปหรือตื้นเกินไปสาหรับปลาตัวใหญ่ภูมของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกับน้ำมหาสมุทรทะเล มรราสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันกับกาที่อยู่ในห้องน้มหาสมุทรทะเลจึงจะศึกษาจากพระองค์ท่านมาให้พอเหมาะพอดีแก่อุปนิสัยของตนมาให้มีความคับแคบคล้องจิตคล้องใจว่าพระว่าทของพระพุทธเจ้าประทานไว้ไม่เพียงพอกับความรู้ของตนหรือความสามารถของตนที่จะปฏิบัติให้เป็นไปมาให้มีผู้ใด ได้มีแสดงความขัดแยง้งที่กล่าวมาทั้งนี้ก็คือให้เราทั้งหลายได้นำหลักอันใดอันหนึ่งที่ควรแก่จริตนิสัยของเรามาบำรุงตนเองให้เป็นไปด้วยความกล้าหาญ ทานใช้เหมือนพระพุทธเจ้ายาได้มีความท่อแท้อ่อนเองเป็นคนก้นเบาคล่องแค่วหูเบาแต่ไม่ใช่หูเบาแบบคอยจะรับความดีใจเสียใจหูเบาต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ตาดีต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ จริงที่มันเป็นประโยชน์แล้วไม่ผลใจงานในอาวุธสามประธรรมเทศนั้นขอความสวัสดีมงคลแก่ท่านทัาา้งหลายโดยทนหน้ากันเถอ